ดูหัวใจตัวเองขณะฟังเทศอย่าไปดูที่ไหนดูมานานแล้วจนตาแห้งแล้วแหละบางคนตาบอดก็มีเพราะดูไม่หยุดไม่ถอยตาบอดมีเยอะ <c oughs> ไม่ได้ผล ป, ประโยชน์อะไรเวลานี้จะดูใจถึงตัวเองมันไปยังไงใจดวงนี้มันถึงดีถึงดีแล้วนักหนา ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าพระและคราวาสดีดิดด้นเป็นลิงเป็นข้างไปหมดจนหาผู้จะทรงอัดทรงทรรรมไม่มีแล้วเวลานี้ศาสนานี้ถูกกิเลสเหยียบย่าทาลายพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอมาดั้งเดิมเลิศเลอมา ตั้งเดิมตั้งเป็นกลับเป็นกันโดยพระพุทธเจ้าตัดสลุถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ละเลิศเลอ ม, มาโดยสม่ำเสมอแต่อันแล้วก็กิเลส ท, ที่มันจองล้างจองผลาญกันกับอัดกับทำรร ม, มันก็จองล้างจองผลาญมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้า ธรรมะอ่อนตรงเมื่อไรขีเหลกขึ้นบนหัวเลยเลยเหยียบเลยบนหัวใจนั้นแหละแต่บนหัวไร <c oughs> โลกถุงสารถึงได้ร้อนบุนวาย <c oughs> วันนี้เป็นวันอบรมธรรมบรรดาพี่น้องลูกหลานพระเนรทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจฟัง <c oughs> อันนี้เราจะพูดธรรมะทางหลักปฏิบัติให้บรรดาพระสงฆ์ที่มีหน้าที่ปฏิบัติโดยตาวเดียวฟังเป็นหัวหน้าฟังกับประชาชนเดินตามหลังกันไปการฟังธรรมทางด้านปฏิบัติและการเทศทางด้านปฏิบัตินี้รู้สึกเจ้า ได้ฟังยากและเทศยากเหมือนกัน <c oughs> ถ้าไม่รู้ก็เทศไม่ได้ไม่ปฏิบัติมาก็เทศไม่ถูกต้องทั้งปฏิบัติมาทั้งได้เห็นผลเป็นลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจแล้วก็เทศถูกต้องมาโดยลำดับลำดานี่แหละธรรมของพระพุเทธเจา้ามีแบบมีฉบับกาจัดค่าศึกศัตรูคือกิเลสทั้งหลายตัว ภายลาอยู่ที่ใจให้กระจายหายไปเป็นลำดับลำดา <c oughs> ผู้มีความชำละมีความสนใจต่อความสงบสุขจากธรรมจริงๆต้องเป็นผู้สนใจใกล้ต่อจิตตะปะวนา <c oughs> ไม่เพียงแต่ฟุ้งเฟอ้อเหเหิมไปตามหน้าของกิเลสที่ไม่มีวันเข็ดลาบิ่มพอแล้วก็ทุกไปเรื่อยๆอย่างนั้น <c oughs> ต้องมีสถานีที่จอดแวะในการปฏิบัติตนเองเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองควรที่จะสังเกตความผิดถูกชั่วดีรายได้รายเสียด้วยดีในตัวของเรา ในวันหนึ่งๆผู้สะแสวงหาความพ้นทุกข์จริงๆลั่งเดิมตามหลักของพุทธศาสนาที่ท่านมีไว้ในตำไในตํหลับตำลาแระที่ออกมาบวชในพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าเป็นปฐมมาเลิกอันเลิศเลอในการอยู่ป่าอยู่เขาบําเพ็ญพระองค์อเสด็จออกทรงผนวดชจากบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประกชาชีสเสด็จออกทรงผนวดอชเข้าอยู่ในป่าความทุกข์ยากลําบากเข็นใจของกษัตริย์ที่มา บำเผ็ญด้วยการขอทานชาวบ้านเขาจินนี้ก็เท่ากับเทวดาตกจากสวรรค์ลงมาสู่นรกนั่นแหละจะไม่ลำบากลำบนยังไงนี่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงผนวดไปสู่ความเป็นคนขอทานขอชาวบ้านเขาจินซึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีศาสนาพุทธศาสนายังไม่ปรากฏ เขาให้ทานตามกกอกตามซอยตามหมู่บ้านตามแต่เขาจะได้ยังไงพระองค์ก็เสด็จไปขอทานเขานั่นแหละมาเสวยวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งความทุกข์ความยากความลาบากอาหารพอไม่พอดีเรื้อเร็วอะไรก็ต้องรวมลงอยู่ในความขอทานนั่นแหละพระองค์ก็ทรงอดกลั้นขันตีทุกอย่าง ไม่สนพระไถ่กับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าทำแดนแห่งความตรัสรูห้ยังได้สงด่งผดดวนออกไปแล้วก็ปฏิบัติบําเพ็ญพระองค์ทุกแสนสาหัสไม่มีใครเกินศาสดาของเราคําว่าสลบสลายคนเราถ้าเลยจากสลบสลายแล้วก็เรียกว่าตายมีไม่ถึงขั้นตายถึงขั้นสลบสลายถึงสามครั้ง ทรงบำเพ็ญพระองค์เพราะเป็นทางที่ไม่เคยเดิน <c oughs> ต้องสอบนนสอนี่ผิดถูกประการใดพระองค์ทรงรับความทุกข์ทั้งหลายในการบำเพ็ญทั้งนั้น <c oughs> จนกระทั่งวันเดือนหกเพ็ญ น, <c oughs> นี่สรุปความลงมาทรงอดพระกยาหารถึงสี่สิบเก้าวัน <c oughs> ไม่เสวยอะไรเลย <c oughs> ในวันวิสาขาบูชาตอนเช้านั้นนางสุจารดาเอามเข้าวพัทถุปญาตมาเส้นสวงต้นไม้ใหญ่คือต้นโพต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสสรุนั่นแหละพระองค์ก็เสวยพระกยาหารคือข้าวมะทุปญาตสีสิบก้าก้อนแล้วก็ตั้งสัจจะอดิสฐานในการที่จะบำเพ็ญพระองค์ ให้เด็ดตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็ทรงบำเพ็ญในคืนวันนั้นพอสเสวยพระกิจการในคืนวันนั้นแล้วร่างร่างกายก็ไม่มีกำลังทรงบำเพ็ญสมณธรรมโดยถูกทางโดย ก, ำ, กำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออก ซึ่งทรงระลึกรู้ตั้งแต่คราวที่เป็น <c oughs> พระราชกลุ ม, มานโดยพระบิดพระราชบิดา <c oughs> พาเสด็จไปแรกนาขวานแล้วประทับนั่งอยู่ที่ใต้ร่มว่าใหญ่จิตความแปลกประหลาด <c oughs> อัศจรรย์รวมใหญ่ในเวลานั้น <c oughs> นั่นละ เป็นคติอันสำคัญที่โปรและลึกได้แล้วมาบำเพ็ญในวันเดือนหกเพน่ <c oughs> เป็นอย่างนี้ละ่ะเทศไป <c oughs> อันนี้สรูปความมาเลยเพื่อไม่เสียเวลาเวลานาน <c oughs> เราได้ตรัสสรู้ในคืนวันนั้นแล้วประกาศทมสอนโลกตั้งแต่บัด น, นั้นตลอดมา <c oughs> บรรดาพระสงฆ์มีเวญจาวัคคีทั้งห้า <c oughs> ซึ่งเป็นปฐมสาวก <c oughs> ที่พร้อมแล้วที่จะ <c oughs> สลัดปัดทิ้งซึ่งกองทุกข์ทั้งหลาย <c oughs> คือความเกิดแก่เก็บตายให้หลุดพ้นไปได้พ <c> อ <oughs> พระองค์ตัดรู้แล้วก็มาประทานพระอาวาส <c oughs> ให้เบญจาวัคคีทั้งห้า <c oughs> นี้ได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตะบุคคล <c oughs> เป็นพระคีนาศพขึ้นมาห้าองค์ <c oughs> จากนั้นก็ออกประกาศพระศาสนา <c oughs> ทรงสั่งสอนเรื่องการอยู่ของพระ <c oughs> ในประกาศว่าลุกกมูลเซนนาสนกง <c oughs> <c oughs> การบรรประชาส บ, บทแล้ว <c oughs> ให้ท่านตั้งหลายอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามธรรมเมื่อมผา ป่าช้าป่ารกชัดที่แจ้งลองง้อมฟังอันเป็นที่สะดวกแก่การบําเพ็ญสมณธรรมในที่เช่นนั้นเพราะสถานที่อื่นนอกจากนั้นไปแล้วเป็นที่กังวลวุ่นวายไม่เป็นที่เหมาะสมในการบําเพ็ญ <c> ธ <oughs> รรมจึงต้องสรงพระให้เข้าอยู่ในป่าในเขาแล้วทรง สแสดงบทสุดท้ายว่าให้ท่านทั้งหลายจงทําความอุตสาห์พยายามอยู่และบําเพ็ญในสถานที่เช่นนี้ตลอดชีวิตเถิดหนึ่งบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามพระองค์ก็สําเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเรื่อยๆองค์นี้สําเร็จโสดาองค์นี้สําเร็จสกิทาคาองค์นี้สําเร็จเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมา จนพระพุทธศาสนากระจาย <c oughs> ไปทั่วโลกดินแดนนีออกจากธรรมของพระพุทธเจ้า <c oughs> จนกระทั่งกระจายมาถึงเมืองไทยเรา <c oughs> เราก็ไดย้ยึดนั้นมาเป็นคติตัวอย่าง <c oughs> เป็นแบบเป็นฉบับปฏิบัต <c oughs> ิตนโดยการบำเพ็ญคือพระก็ให้ชอบอยู่ยในป่าในเขา <c oughs> บำเพ็ญสมณธรรม <c oughs> เพราะฉะนั้นในป่าในเขาแห่งเมืองไทยเราจึงมักมีพระกรรมฐาน <c oughs> ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาโดยมีครูมีอาจารย์คอยแนะนาสั่งสอนเสมอมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ <c oughs> แต่เวลานี้รู้สึกจะขาดครูขาดอาจารย์ในการแนะนาสั่งสอนทางด้านกรรมฐานวิปัสสนาธุระลงมากทีเดียว สมัยที่หลวงปู่ฟั่นยังหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตยอยู่ <c oughs> องค์ท่านเป็นพระองค์แรกแหละอที่ทรงอที่บำเพ็ญกุณงามความดีสมณธรรมกรรมฐานจนสำเร็จมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้ว <c oughs> ออกมาประกาศสอนธรรมแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาซึ่งมีจำนวนมาก <c oughs> ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามท่านขึ้นมา ถึงปรากฏว่ามีคมรูมีอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำมีจํานวนมากกว่าปัจจุบันนี้แล้ว <c oughs> กรรมาฐานคือพระธุดงท่านมีความสนใจใคร่ธรรมอยู่แล้วท่านก็ปฏิบัติตามวอาว่าคําสั่งสอนไปหาอยู่ในที่ต่างๆมีครูมีอาจารย์คอยแนะนาสั่งสอนอยู่ทั่วๆไป <c oughs> เพราะอาจารย์มีหลายท่านหลายองค์ที่แน่นอนในอัตในธรรมทั้งหลาย <c oughs> ท่านตั้งใจปฏิบัติกรรมจักวิเลศให้สิ้นซากออกไปจากจิตใจโดยลำดับลำดา <c oughs> จนกระทั่งมาถึงทุวันนี้เวลานี้กรรมฐ า, านเราก็ยังไม่อยู่มาก <c oughs> แต่เพราะทางภาคอีสานแล้วรู้สึกว่ายังมีอยู่มาก พัดกรรมฐานและพระกรรมฐาน <c oughs> มีมากกว่าภาคดิล <c oughs> ในวัดในวาต่างๆมีแห่งละยี่สิบสามสิบสี่สิบองในป่าในเขาทั้งนั้นมีอยู่ทั่วไปท่านบำเพ็ญธรรมด้วยความสม่ำเสมอในอัตธรรมทั้งหลายไม่ขาดว่าขาดตอน <c oughs> ออกมาข้างนอกถูกนิมนต์มาบ้างก็เป็นบางการบางเวลา ส่วนใหญ่ท่านบําเพ็ญอยู่ในป่าในเขาบําเพ็ญธรรม <c oughs> คือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา <c oughs> มีสติสตังกากับจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็มีความสงบร่มเย็น <c oughs> บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาในป่าในเขานั้น <c oughs> เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ แต่ท่านไม่ได้ประกาศออกมาว่าองค์นั้นสําเร็จทำขั้นนั้นองค์นี้สำเร็จทำขั้นนี้ท่านอยู่เยียมเงีย บ, เ, ยบเหมือนหนึ่งว่าไ ม, ม่มีอะไรในพระกรรมฐานเหล่านั้นความจริงก็คือว่าสถานที่เช่นนั้นพระเหล่านั้นแหละเป็นพระที่บําเพ็ญและตักตัวอมักผนิพานเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ไม่ขาดวักขาดตอนพระผู้ทรงมักทรงผลยึงมกักอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำจนกระทั่งปัจจุบันนี้อัน <c oughs> นี้นปฏิบัติด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมต่อมักผลนิพพานจริงๆไม่ถือสิ่งภายนอกเป็นของจำเป็นและมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมภายในใจซึ่งควรจะได้รับจากการบำเพ็ญของตน ด้วยเหตุนี้พระกรรมฐานจึงมีจำนวนมากอยู่ทางภาคอีสานมีหลายสำนักด้วยแล้วสำนักหนึ่งหนึ่งมีจำนวนตั้งห้าหกสิบองค์ก็มีแล้วก็เหมาะสมบรรดาสถานที่อยู่ซึ่งมีพระจำนวนมากนั้น <c oughs> เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นเช่นอย่างภูเขาเช่นนี้เป็นต้น มีพระอยู่ทั่วไปทุกแห่งทุกหนในเขาลูกหนึ่งหนึ่งท่านบําเพ็ญภาวนา <c oughs> สนทนากันมีตั้งแต่เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานท่านสนทนากันอย่างนี้ทั้งนั้นบรรดาพระกรรมฐานทั้งหลาย ท้าไม่สนทนาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องการซื้อการขายการได้การเสียเรื่องหญิงเรื่องชายท่านไม่มีในวงกรรมฐ า, านผู้ต้องการมรรคผล น, ผนิพพานไม่แต่เรื่องศ <c oughs> ีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาล้วนๆล้วนๆและเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของท่านก็สนทนากับครูกับอาจารย์ท่านคอยแนะนำ <c oughs> ให้เป็นวักเป็นตอนแล้วออกไปปฏิบัติความรู้ก็เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง <c oughs> แต่ผู้ปฏิบัติ <c oughs> เป็นลายลายไปอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นท่านถึงตักตวงอมรกผลนิพพานอยู่อย่างเงียบเงียบเงียบเงียบในป่าในเขา ใสรพูดที่ไหนเวลาเทศอย่าพูดนะตั้งใจเทศสงเคราะห์จริงๆนะอย่าเอามูดเอาคูดเข้ามาคราคร้าวทำ <c oughs> <c oughs> เวลาพระกรรมฐานท่านมา พบกันสนทนากันก <c oughs> ี่ชั่วโมงก็ตามมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำรม่วนลวนมาสนทนากันองค์นี้ได้อุบายวิธีการอย่างนี้มาจากการภาวนาของตนองคนั้นได้ <c oughs> อุบายวิธีการอย่างนั้นมาสนทนาสนทนาต่างองค์ต่างสนทนาจากผลแห่งการปฏิบัติของตนแล้วต่างองค์ต่างเพลิดเพลิน ในผลแห่งกันละกันกี่ชั่วโมงท่านไม่กำหนดนั่งเงียบสนท่านนากันอย่างลึกลับลึกลับอยู่เช่นนั้นตลอดมานี่ละท่านพระกรรมฐานท่านผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านจะไม่มีเรื่องโลกเข้ามาเกลื่อนปนเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนล้วน <c oughs> เห็นหน้ากันเจอกันมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมการปฏิบัติ <c oughs> ศีลท่านรักษาอย่างบริสุทธิ์ไม่สงสัยในศีลของตนเป็นที่อบอุ่นในจิตใจตลอดเวลาที่จะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปก็ไม่เป็นความลกแคระคายในศีลของตนซึ่งจะทำให้เกิดอารมณ์ <c oughs> ทำจิตใจให้สงบได้ยากท่านก็ไม่มีท่านรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์เต็มที่ จากนั้นก็เน้นหนักทางด้านสมาธิสมาธินี่พยายามตั้งหลักให้ดีด้วยจิตตภาวนาผู้ที่ภาวนายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ท่านก็สอนให้ใช้คำบริกรรม <c oughs> คือคำบริกรรมเป็นหลักยึดของใจให้ใจได้ยึดคำบริกรรมมีสติควบคุมอยู่กับใจ กับคำบริกรรมนั้นตลอดเวลาที่ภาวนาเมื่อพยายามทำอยู่อย่างนี้ไม่ลดละท้อถอยใจที่เคยฟุ้งซ่านลำคาญกับเหตุการณ์ต่างๆคือกิเลสนั้นแหละพ่อเรื่องก่อลาวขึ้นมาก็ค่อยสงบตัวลงไปสงบนัวลงไป <c oughs> เพราะอำนาจแห่งการควบคุม จิตด้วยคำบุิกรรมโดยความมีสติอย่างแน่นหนามั่นคงไว้โดยสม่ำเสมอจิตใจก็ <c oughs> สงบรวมลงไป <c oughs> เป็นใจที่สง่างามใจที่สง่างามนั่นแหละเป็นใจที่ควรแก่มกักแก่ผลสร้างความปีติอินดีให้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนนี่เบื้องต้นท่านทาอย่างนี้ ถ้าผู้ยังไม่หลักได้เกณฑ์ให้ยึดคําบริกรรมให้ดีอย่าปล่อยวางคําบริกรรมอย่าปล่อยจิตให้เล่ะล่อนและกําหนดจิต ด, ด้วยสติอยู่เฉยเฉยไม่พ้นจิตจะเสื่อมถ้ามีหลักเกณฑ์อยู่บ้างก็เสื่อมถ้ายังไม่มีหลักเกณฑ์ก็ตั้งหลักไม่ได้ต้องตั้งสติให้ดีอยู่กับจิตคําบริกรรม นึกเป็นคำภาวนาตลอดเวลาไม่เผลอไปไหนด้วยสติเป็นผู้ควบคุมตลอด <c oughs> ผู้นี้อย่างไงก็ตั้งหลักฐานได้คือจิตจะเป็นความสงบขึ้นมาได้เลย <c oughs> ไม่สงสัยให้พากันตั้งหลักตั้งฐานอย่างนี้พระเนรเราผู้ที่อบรมภาวนาใหม่ๆยังไม่หลักได้เกณฑ์ให้ตั้งคำบุญกรรม <c oughs> มีสติควบคุมไว้ตรงนี้นี้เป็นธรรมประกันให้ได้หลักไ้เกณฑ์โดยไม่อาจสงสัยตั้งไว้แล้วต่อไปก็จะมีความสงบเย็นคำว่าตั้งคำบริกรรมตั้งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมามพาะตื่นนอนมาคำบริกรรมเช่นพุทธโธพุทธโธสำหรับพระเนรของเราให้มีพุทธโธติดใจตลอดโดยความมีสติไม่พลั้งเผลอไปไหนเลย ไม่นานจิตจะเข้าสู่ความสงบเย็นเมื่อเย็นแล้วก็จะมีความแปลกประหลาดแล้วจิตใจก็จะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาจากการตั้งสติไม่หยุดไม่ถอยนี่การตั้งสติเบื้องต้นการตั้งรากตั้งฐานจิตใจเบื้องต้นให้ทำอย่างนี้พอจิตตั้งรากฐานได้แล้วสมาธิก็จะเกิดสมาธิคือความแน่นหนามัน่นคงของใจ แน่นปังเลยนะท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเบื้องต้นมีความสงบก่อนพอสงบแล้วถอยออกมาหลายครั้งหลายหนความสงบนี้ย่อมสร้างฐานให้จิตมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นแล้วกับจิตต่อไปจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตใจแน่นหนามั่นคง <c oughs> แม้จะคิดอ่านไต่ตรองอะไรได้อยู่ แต่เมื่อย้อนเขามาดูฐานของจิตจิตย่อมมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ตามเดิมนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ <c oughs> พอจิตเป็นสมาธิแล้วให้เล่งสมาธิแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นควรแก่ทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีฐาน <c oughs> ที่ตั้งแห่งสมาธิเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ <c oughs> ไม่วอกแวกคลอนแขนไม่หิวโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่อยากดูอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยของใจใจอิ่มตัวด้วยสมาธิแล้วย่อมพอตัวนั่นแหละเอาใจที่มีความสงบบ้าง <c oughs> เป็นระยะระยะนั้นออกพิจารณาทางด้านปัญญา น, นี้ราครานี้เะาี่ตั้งรากฐานได้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติของเรา <c oughs> ใช้ทางด้านปัญญาเพียงมีแต่สมาธิเฉยๆ <c oughs> ไม่มีปัญญาพาออกเดินในการอันควรแก่ปัญญาแล้วสมาธิจะมีอยู่แค่นั้น จะไม่ก้าวหน้าไปไหนต้องใช้ปัญญาเพื่อก้าวหน้าขึ้นสู่ธรรมขั้นขั้นสูงขึ้นไป <c oughs> จึงต้องใช้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เกศาโลมานคาธันตาตะโจนั้นจะเป็นความจำเป็นสำหรับปัญญาขั้นตน้นพิจารณาผมขนเลยบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุง อาหารใหม่อาหารเก่าแยกแยะออกมาพิจารณาคลี่คลายให้เห็นทั้งภายนอกภายในทั้งนอกทั้งในคือทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลพิจารณาเป็นเรื่องความอสุพระอสุปัางป่าช้าผีดิบยังไม่ตายเรียกป่าช้าผีดิบตายไปแล้วก็ป่าช้าผีตายอยู่เกื่อนไปหมดก็ออกไปจากป่าช้าผีดิบนี่แหละ นี่คือปัญญาพิจารณาขี่คลายหลายครั้งหลายหนจนเกิดความชำนิชำนานแล้วปัญญาก็จะก้าวเดินหนักหน้ายิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกนีต่อจากนั้นไปเรื่องการถอดถอนกิเลส จ, จะค่อยมีเป็นลำดับลาดาลำพังสมาธิเฉยเฉยจะไม่ถอดถอนกิเลสตัวใดมีแต่ทำกิเลสให้สงบ ลงไปสู่ความสงบได้เท่านั้นเทียบกับหินทับหญ้าเวลายกหินออกแล้วหญ้าก็เกิดตามเดิมนี่สมาธิทับเอาไว้จิตก็สงบพอสมาธิเสื่อลงไปชิ้เล็ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาถากถางหญ้าขุดหญ้าออกด้วยการ พ, ร พ, รพริจิตพิจารณาถึงอัยวะของตัวเองแล้วของใครก็ตาม ผมคนเรียบไฟฟันหนังนี้เป็นยังไงดูให้ละเอียดแล้วสําหรับนักปฏิบัติเพื่อถอดถอนจิเลสตัวอุบทานที่มันหมายมั่นปั้นมืออยู่ในนี้ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางมันยึดถือมั่นถือมั่นตลอดเวลาพิจารณาปัญญาให้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วจิตใจจะค่อยถอนตัวขึ้นมาถอนตัวขึ้นมาหรือถอนตัวออกมาอดูไปตั้งแต่ผมไปยังไง ขนไปยังไงเล็บไปยังไงฟันไปยังไงหนังเป็นยังไงดูละเอียดเรา อ, อภายนอกภายในนี่ท่านเรียกว่าใช้ปัญญาที่จะคลี่คลายถอดถอนกิเลสตัณหาประเภทต่างๆออกโดยลําดับพิจารณาจนเกิดความชำนิชํานาถือการพิจารณาเหมือนเขาคาดไล่คราดนาคลาดไปกี่ตลบทบทวนไม่สําคัญขอมูลคาด มูลไถ่แหลกละเอียดพอปักพอดำแล้วค่อยปักค่อยดำนี่การพิจารณาเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มีความละเอียดระออไปโดยลําดับมีความชํชนานี้ํานาญแล้วมันก็ผ่านเข้าไปสู่ธรรมมันละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีก่พูดถึงเรื่องอันนีจังทุกขังอราตาก็รวดเร็วสุภาสุผังก็รวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วต่อไปนั้นมันก็ปล่อยได้วางได้นี่เมื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้ว จิตใจก็เวิ้งว้างไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆมีรากมีฐานแน่นหนามั่นคงแก่โตเองไปเรื่อยๆนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญา <c oughs> เวลาพิจารณาทางด้านปัญญามีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วจิตใจมีความเพลินในการพิจารณาเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาจิตใจในการพิจารณาแล้วก็ให้ย้อนกลับเข้ามาสู่สมาธิ คือความสงบเย็นใจไม่ต้องยุ่งกับด้านปัญญาเรียกว่าพักงานพักงานเอาไว้ให้เข้าสู่งานคือความสงบคือสมาธิหยดเมื่อเข้าสู่สมาธิสงบร่มเย็นอยู่แล้วย่อมมีกำลัง พอถอนออกจากความสงบคือสมาธินี่แล้วก็ก้าวออกสู่ปัญญา <c oughs> พิจารณาที้กายปัญญาให้มีความจำนิชจำนานคล่องแค่วว่องไวน <c oughs> แล้วจะเป็นการถอดถอนกิเลสออกไปเป็นลำดับลำดาสำหรับ ผ, ผู้ปฏิบัติ <c oughs> ให้พิจารณากันอย่างนี้ <c oughs> เรื่องของปัญญานี้เป็นเป็นธรรมชาติกว้างขวางมากทีเดียว สำหรับสมาธิไม่ค่อยกว้างขวางจิตมีความสงบแน่นลงไปแล้วก็พอ <c oughs> ไม่เลยเถิดไปจากนั้นอีกให้มากกว่านั้นไม่มากสมาธิเต็มภูมิแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วให้เลยไปไม่ได้เต็มภูมิแต่ปัญญานี้ถ้ากิเลสไม่พังหมดเมื่อไหร่แล้วจะถอยไม่ได้เลยพิจารณาปัญญา ปัญญาแต่ขั้นรูปกายนี่ไปถึงปัญญาถึงขั้นนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารบิญยา น, นี่ก็เป็นปัญญาประเภทแห่งผ่านปัญญาทางรูปทางกายมาแล้วก็พิจารณาทางเวทนาสัญญาสังขารบิณ ญ, ญาณติดตามเข้าไปติดตามเข้าไปจะเข้าไปสู่ใจที่เป็นตัวอวิชชาหุ้มห่ออยู่นั้นแหละ เมันพิจารณาหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนแล้วมันจะค่อยเข้าใจไปโดยลํำดับสุดท้ายก็มีแต่แต่จิตกับอาการของจิตคือเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณแสดงตัวอยู่แล้วก็เกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับอยู่เพียงเท่านั้นตามเข้าไปให้เห็นชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เมื่อชัดเจนในสิ่งเหล่านี้แล้วจะเข้าถึงหลักใหญ่คือจิต อะไรก็เกิดจากจิต ด, ดีเกิดจากจิตชั่วเกิดจากจิตพุงเรื่องอะไรพุ่งมาจากจิต ด, ดับลงไปที่จิตสัญญาดอกไม้อะไรออกมาจากจิต ด, ดับลงไปที่จิตรวมลงไปแล้วจิตเลยกลายเป็นผู้ต้องหาเป็นที่รวมของโจรมาทั้งหลายเหล่านี้คือสัญญาศาสนาสัญญาสังขารหนึห่งอาณไปรวมอยู่ที่จิตแล้วจิตก็เข้าใจเข้าใจเป็นลําดับลําดา ว่ามารวมอยู่ที่จิตจิตก็เลยเป็นตัวโทษนั่นพิจารณาถึงเรื่องจิตที่เป็นตัวโทษมายืดไว้หมดในสิ่งเหล่านี้ยืดไว้หาอะไรพิจารณาแยกเข้าไปแยกเข้าไปก็กระจายเข้าไปถึงใจเมื่อเข้าไปถึงใจแล้วถึงเต็มที่แล้วสิ่งเหล่านี้นจะถอนพวดออกมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชาปัญญาสร้างคาลาอยู่ที่จิต เมื่อถึงขั้นวิชาขาดและบั้นลงไปแล้วกิจจะเปิดโล่งขึ้นมาเลยในผู้บำเพ็ญทั้งหลาย <c oughs> ความแปลกประหลาดก็อัศจรรย์ที่ตนบำเพ็ญมาหนักเบามากน้อยจะมาแสดงผลขึ้นในเวลากิเลสขาดพละบั้นลงไปจากใจแบบอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารในเวลานั้นนั่นแหละขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย ได้พิจารณาตามนี้ยาปล่อยยาวางทมของพระพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนานแน่นไขรบำเพนรมเป็นธรรมขึ้นมาไขรดิดดี้ตามกิเลสเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นกองทุกข์ขึ้นมาทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและขาราวาสเพราะกิเลสมีด้วยกันใครบำเพนตทางรมหนักในทรก็นาได้ทำขึ้นมาเป็นผลเป็นประโยชน์ พยุงจิตใจของตนเป็นลําดับลาดาทำคำว่าพุทธเจ้าเป็นอากาลีโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาจะทําให้ธทำเหล่านั้นชิบหายไปได้เลยกิเลสก็เป็นอากาลีโกคือมีอยู่ตลอดมาถ้าหมุนไปทางกิเลสก็เป็นกิเลสขึ้นมาสแสดงเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะตัญหา ถ้าดิ้นไปกับมันเท่าไรมันก็ยิ่งไปใหญ่เหมือนไฟได้เชือ้ออเผาผานไปเรื่อยแล้วก็มาเผาผานตัวอย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้าหมุนไปทางด้านธรรมะก็เป็นธรรมากขึ้นมาหมุนมากหูน้อยเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจใจดวงนี้เป็นที่บรรจุไว้ซึ่งทั้งทั้งกิเลสและอัตธรรมไม่ได้มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจใคร เชื่อทางไหนให้เอนไปทางไหนกิเลสไปทางกิเลสก็เป็นกิเลสขึ้นมาจากบุคคลคนนั้นจากใจดวงนั้นผู้ใดมีความหนักแน่นไปทางอัดตั้งทำหมุนไปทางทำทำก็เกิดขึ้นที่ใจดวงนั้นดวงนั้นเป็นผลไปประโยชน์เรื่อยไปให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไป <c oughs> เราเป็นชาวพุทธ พุทธศาสนาเป็นทำแก้กิเลสแก้แกองทุกข์ทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่พื้นๆลงไปถึงกร ะ, กะทั่งถึงแก้ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกิเลสไม่เหลือทุกข์ไม่เหลื อ, ไ ม, ลอไม่นอกเหนือไปจากคำของพระพุทธธรรมความสอนของอระเจ้าไปได้เลยขอให้พากันนำไปปฏิบัติแล้วอยู่เป็นค า, าวาวเจลเรือนถึงการเวลาที่ควรจะบำเพ็ญ จิตใจทางด้านธรรมะเพื่อเป็นอาหารเครื่องรอเลี้ยงจิตใจก็ขอให้บำเพ็ญในเวลาที่เราวิ่งเต้นขวนขวายต่อจิตบ้านการเรื่อนการธรรมะหาเลี้ยงชีพเราก็วิ่งเต้นขวนขวายให้แบ่งเป็นบักเป็นตอนกันเวลาวิ่งเต้นขวนขวายทางอัตภาพร่างกายเราก็วิ่งเต้นในเวลาที่เราขวันขวายเพื่ออาจเพื่อทำเขาสู่ใจ เราก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆไปจะไม่เสียท่าเสียทีอโยชน์ทางโลกก็ได้ประโยคทางธรรมก็ได้ <c oughs> ไม่เสียกันทั้งสองฝ่ายคือพระนั้นมีหน้าที่อันเดียวอย่างไรต้องทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกําจัดวิเลศภายใน จ, ใจิตใจอย่าได้ลดได้ละทอ้อถอยอยู่ที่ไหนการอยู่การกิน การหลับการนอนของพระผู้มุงอัดมุงทำนั้นไม่ยากเย็นเฉงใจอะไรเลยไม่เป็นตังบน <c oughs> อยู่ไหนอยู่ได้กินได้ทั้งนั้นนอนได้ทั้งนั้นขอให้ได้บําเพ็ญธรรมตามความสะดวกสบายก็พอใจนี่คือพระผู้มุงอัดมุงธทำง่ายทุกอย่างไม่ได้สร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตัวเลยแต่ผู้ที่เป็นโลกนั้นมันอยู่อย่างไงมันก็ไม่พอวอกยิ่งเลสไม่เคยมีพระเมืองพอ สร้างแต่ความกังวลวุ่นวายแล้วยุ่งเหยิงตลอดเวลาคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจใดถ้าอยู่ในหัวใจพระพระก็เลยเป็นบ้ากับโรคกัคบสงสารเข้าไปเป็นพระหัวโดนโจรโกนผมโกลชี้แล้วยังอยากเบ่งอยางดังอยากมีชื่อมีเสียงแล้วฟว้าเอางานของกิเลสเข้ามามาพอบเป็นดินเหนียวติดหัวเข้าใจว่าตัวมีงอนเลือดเลอะไปกับกิเลสไปเสีย โดยที่มันเลวลงไปโดยลำดับไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้เวลานี้มีอยู่เยอ ะ, อะชาวพุทธชาวพระของเราพระลูกพาหลานให้พากันตั้งโอ้ตั้งใจอย่าหลงไปเป็นบ้ากับพวกเปรพวกผีนี่ <c oughs> มันจะทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาให้ล่มจมลงไปได้หมดนั่นแหละคนไม่มีหิ้นที่โอตปะไม่มีวุมีบาปติดหัวใจย่อไม่มีความละอายต่อบาปต่อกมทาได้ทั้งนั้น ขึ้นชื่อว่าความต้องการมีอย่างไรไม่ว่าดีว่าชั่วจะทําให้ได้อย่างใจทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็เป็นการสร้างความถูกนรกอวิธีให้แก่ตัวเองให้แก่ชาติแก่บ้านแก่เมืองนี่รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปตามๆกันหมดเ พ, มเพราะความปรารถนาราโมกของคนประเภทนี้พระประเภทนี้นั่นแหละให้พากันระมัดระวัง <c oughs> เวลานี้มันแตกพ่อมากนะพระเรา <c oughs> แปลความมาจนสรุปสองเวกนะ <c oughs> ตั้งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นพระอยู่ที่ไหนมีความสงบร่มเย็น อ, อชาวบ้านชาวเมืองเขาจะเกิดการทะเลบบาะว่อนแว่งมีเรื่อ ง, ม, องมีราวกันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องชาวบ้านชาวเมืองส่วน <c oughs> ทางด้านของพระ <c oughs> ทางวัดวาวัดศาสนาทั่วประเทศไทยเรามีแต่ความสงบร่มเย็นในเพศของพระ ท, ทั่วไปหมดแต่เวลานี้กลับกลายเป็นเรื่องของพระเป็นผู้ก่อควรเป็นผู้ก่อฟืน้นก่อไฟเผาชาติเผาบ้านเผาเมืองก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาแหน่นี้แง่นี้อยากดีอยากเด่นอยากดังไปตามกิเลสมันก็ยิ่งสกรปรกเร็วซ้ำลงไปจนพินที่อิจฉาระอาใจทั้งๆ ท, ท, ที่เพศของพระไม่อายเพศของตัวเองเลย ไปตามความชาั่วช้าหลามกเลยเถดิดเดยแดเนเลยโลกเลยยังสารเลยประชาชนลงไปแล้วยิ่งเหลวมากลงไปมากลงไปเ <c oughs> วลา น, นี้มีแล้วนะพ <c oughs> ุทธศาสนาในเมืองไทยของเราท่านทั้งหลายยังไม่เคยรู้ไปเห็นให้ดูเอาทุกคนดูได้ด้วยกันนั่นแหละนี่นำมา <c oughs> สอนเพื่อการแยกแยะพี่นิพี่เจรณามันขึ้นไปเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตใจที่ต่ำทราม <c oughs> hn, เห็นกิเลสเป็นของดีของดีแล้วก็ยกกิเลสที่เป็นความชว่วช้าลาโมกสกโปรงโสมมมที่สุดขึ้นมาเหยียบทองคำทำทั้งแท่งที่เลิศเลยให้เป็นของเลวลงไปเอากิเลสขึ้นมาประดับประดาแทนก็มูดคูดประดับที่ไหนมันก็เป็นมูดเป็นคู ด, เ, ดเอาขึ้นชั้นฟ้าดาวดึงมันก็เป็นมูดเป็นคูดอยู่นั้นแหละขึ้นชื่อว่ากิเลสเรื่องธรรมอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมอยู่ต่ําอยู่สูงเป็นธรรมทั้งนั้น <c oughs> เวลานี้กิเลสกับผู้ที่ปรารถนารามกชั่วช้าลามกมันเอาตั้งแต่ความชั่วช้ารามกขึ้นมาประดับตนขึ้นมาประกาศกังวานทั่วแดนชาวพูดท้องเราให้เกิดความกระทบกระเทือนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปโจนากันหมด <c oughs> เราเห็นได้แล้วเวลานี้ให้ปักขันคัดกันเลือกศาสนาของดีของดี มีอยู่ของปลอมก็เห็นกันอยู่แล้วอันใดไม่ดีให้ปัดออกยาวเข้ามาจีดมาขวางในวงพุทธศาสนาในวงพระวงเหนของเราให้เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาปัดออกทั้งหมดแล้วเข้ามายุ่งเราเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเองให้สร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่ความสงบร่มเย็นให้แก่กิจใจในตนเองและส่วนรวม <c oughs> นี่เป็นความเหมาะสม ครับเราซึ่งเป็นชาวพุทธและเป็นชาวพระให <c oughs> ้รู้จักเรื่องเพศของตนอย่าลืมเนื้อลืมตัวมันจะเสียท่าเสียทางและเสียอย่างร้ายแรงยิ่งกว่าประชาชนเขาเสียอีกงนะ <c oughs> วันนี้ได้พูดแยกแยะเรื่องศาสนาที่มันคราเขาเนด้วยกิเลสมีอมนาจ <c oughs> บาดหลวงแผลกระจายไป ก่อฟืนก่อไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาชาติเผาศาสานาไปความความๆกันเราก็เห็นแนเวลานี้ไปที่ไหนหาความสงบไปได้มีแต่เรื่องแต่ราสวสวดอัดธรรมหรือพระธรรมพระวินยัยไม่สนใจปฏิบัติในเพศของพระยิ่งวิ่งไปหาตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาซึ่งไม่มีขอมีเขตและโศกรปรุกโสมมนั่นแหละถือว่าเป็นของดิบของดีมันจึงกระทบกระเทือนไปหมด ถ้าผู้มุ่งอัดมุ่งทำทำมีอยู่วินัยมีอยู่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมตาวินัยนี่แล้วจะมีเรื่องมีราวมาจากที่ไหนไม่มีถ้าไปไหนชุ่มเย็นไปที่นั่นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปไหนชุ่มเย็นไปที่นั่นเพราะดีอยู่ที่ท่านท่านปฏิบัติดีทำที่เป็นของดีของเลิศเลออยู่กับท่านเมื่อทำมีอยู่ในหัวใจฉันแล้วไปไหนเย็นไปหมดนี่ผู้ปฏิบัติดี ทำเป็นของดีอยู่ในใจของท่านท่านเย็นไปหมด <c oughs> แต่ผู้มีแต่ความชั่วเดีวซ้ำจะประกาศ <c oughs> อวดดีอวดดีเด่นขนาดไหนมันก็มีแต่ความเดีวซ้ำประกาศให้โลก <c oughs> เขาได้อิจฉาระอาใจนั่นแหละ <c oughs> หพากันคัดเลือกเอาสิ่งเหล่านี้มีกับหัวใจทุกคนความปรารถนาลาโมกมันก็มีตอีมันลงอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้เอาแต่ความดีความ ด, ามดีที่เป็นธรรมเป็นมินัย มาปฏิบัติเทอทูลเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นผลเกิดเอขึ้นมาจากการปฏิบัตินี่ให้เป็นความสุขความเจริญเย็นใจสบายใจพระอยู่ที่ไหนสบายหมดนั่นแหละเรื่องของพระแล้วอยู่ไหนไม่มีกรรมมีเวญต่อผู้ใดไม่ไปถือแพถือชนะกับใครถือแต่ศีลแต่ธรรมชนะแต่กิเลสกิเลสตัวใดเป็นภัยต่อจิตใจกายวจจาจาปัดออกปดออกัดต่อนี่เรียกว่าพระ ของลูกศิทธ์าโคตผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเข้มงวดกวดขันเท่าไรเขายิ่งได้ตักตวงอมตะผลมิตพานขึ้นเข้าสู่ใจโดยลาดับลาดาตัวเองก็เป็นสารังค้าฉามีของตัวเองได้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้อย่างแน่นอนแม่นยำแล้วก็เป็นสารนะแก่โลกได้ที่ว่าสังคังสนังข้าฉามี <c oughs> ดังพระสงฆ์สาวกท่านเป็นสางทางสันนิษฐ า, ามีของโลกก็เพราะท่านเป็นสารณะของท่านโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นนี่ละทําไปที่ไหนเป็นสารณะของโลกให้ได้รับควา ม, มเยือเย็นทั่วหน้ากันแต่กิเลสไปที่ไหนเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วหน้าเช่นเดียวกันให้เราพิพจารณากมจัดกิเลสถ้าเกิดขึ้นในใจมากๆจะทําจิตใจของเราให้ เผลไปตามจากอาจจากทรรมเคยทำบุญให้ทานก็ไม่อยากทาเคยรักษาศีลไม่อยากรักษาเคยภาวนาไม่เอานี่คือกิเลสเข้าตีแตกเรานะทมก็แตกศีลก็แตกภาวนาก็แตกถ้ากิเลสเข้าไปตรงไหนความดีจะแตกไปหมดเหลือแต่ความชั่วเป็นฟืนเป็นไฟเผ า, าหัวใจให้ระวังอันนี้ให้ดีถ้าเรามีทำแล้ว การทามุลให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นสมวัติอันร้นค่าของชาวพุทธเราผู้หวังความดีเลิศต้องทำไม่ลดไม่ละทุกจนขนาดไหนหัวใจเรามีระวังความสุขความเจริญเช่นเดียวกันเราต้องทำความดีให้มีประจําจิตใจของเราตลอดไปนี่ชื่อว่าผู้คงเส้นคงวาหนาแน่นในพุทธศาสนาจะเป็นผู้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทางจิตใจ นอกจากนั้นยังสามารถตั้งได้ในภายนอกอเรื่องหลักฐานอะไรมีความมั่นแน่นหนา ม, มั่นคงมีฐานะดีก็ค่อยเป็นไปตามกำลังของตนที่มีศีลมีธรรมได้มาแล้วสมบัติเงินทองมากน้อยก็ชุ่มเย็นไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่เหมือนไปหาโคตหาโกงหาดีหาไทยเข้ามาได้มาแล้วคอยแต่จะเปล่นเป็นไฟเผาตัวเองและเผาผู้อื่นด้วย ส่วนเราหามาด้วยความชอบธรรมมีมากมีน้อยเรายินดีเกิดตามมีตามเกิดที่มีของเราเราก็เย็นใจธรรมก็มีใจก็รักทั้งฐานรักทั้งศีลรักทั้งเจริญเมตตาภาวนาประจําแล้วมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน <c oughs> แล้วพาของเราก็ขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมรรคผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมด พุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรคนิพพานท้าทายผู้ปฏิบัติอยู่เสมอถ้าอยากรู้อยากเห็นมรคนิพพานเอาให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ด้วยสวักอรธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่มีผิดพลาดไปตรงไหนเลยขอให้ปฏิบัติตามนี้ให้ถูกต้องมรคนิพพานจะเป็นสมบัติของผู้บำเพ็ญแต่ผู้เดียวไม่มีใครมา <c oughs> แย่งชิงเอาไปได้เลยเอาให้ถือยึดถือนี้ไว้นะ่ะ มรรคผลนิพพานไม่เป็น <c oughs> ไปกับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมที่ไหนอยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมมรรคผลนิพพานเป็นมรรคผลนิพพานฟ้าแดดดินลมการกระฐานที่เ ว, เวลาเป็นของเขาต่างหากไม่เข้ามากีดมาขวางมาแย่งมาชิงเอามรรคผลนิพพานของเราผู้ปฏิบัติตามทำไปได้เลยตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศีลตามธรรมมรรคผลนิพพานจะเป็นของเราผู้บําเพ็ญ ตามทางที่ศาสตราสอนแล้วว่าสอนมัรคผลิภานเพื่อหัวใจมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศีลตามธรรมย่อมจะ <c oughs> บรรจุอมรรคผลิภานเข้าสู่ใจของตนเสมอนี่ละเปิดมาไม่เสียชาติ <c oughs> ที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา <c oughs> ที่เลิศเลอเช่ ด, ด้วย <c oughs> พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอ ไม่มีศาสนาใดที่จะเข้ามาเสมอเหมือนได้หรือเป็นคู่แข่งได้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นจิตเล็โดยสิ้นเชิงจัดทะลุด้วยความสิ้นจิเล็ดเรียบร้อยแล้วเป็นโลกมิถรูรู้แจง้งเห็นจริงในโลกทั้งหลายดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วบาป บ, บอกว่าบาป บ, บุญบอกว่าบุญไม่ลียง พอทรงรู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์พระไถยจึงนำมาสอนโลก <c oughs> บาปเป็นบาปบุญเป็นบุญนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์พรมารโลกนิพพานเป็นพรมารโลกนิพพานมีจริงยังไรสอนตามหลักความจริงนั้นเราจะไปขัดไปแย้งเราอย่าไปลบล้างสิ่งที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยความถูกต้องแต่เป็นความผิดพลาดของเราเองแล้วก็มาทําลายตัวเองนั่นแหละ <c oughs> โดยหาเรื่องว่า ว่าตามกิเลสว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมีตั้งแต่เรื่องกิเลสลบล้างทำถ้าเราเชื่อกิเลสเราเราก็เชื่อว่าบาปไม่มีแล้วเชื่อว่าบุญไม่มีเราก็สร้างตั้งแต่บาปตามความอยากของกิเลสโดยไม่คํำนึงว่าบาปเป็นอะไรแต่การสร้างสร้างแต่บาปทั้งนั้นทั้งนั้นบุญไม่มีบุญไม่มีใครจะไปสนใจสร้างบุญเมื่อบุญไม่มีแล้วมันก็มีแต่ทุ่มเทความประพฤติ ทุกอย่างลงสู่บาปสู่กรรมทั้งหมดตายแล้วก็จมเวลาจมแล้วใครจะมารับรองเราให้ปลุดพ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะบาปเพราะกรรมที่เราทามานั้นได้ะก็ต้องเป็นตัวของเราเองปเป็นผู้ทาเป็นผู้รับเพราะกรรมแห่งบาปแห่งกรรมของตน พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วด้วยความเมตตาเมื่อเราไม่ยอมฟังเสียงท่านก็สูญวิสัยก็ปล่อยให้เป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์ก็เป็นกรรมของเราที่ไม่เชื่อธรรมนั่นแหละจะเป็นผู้รับเคราะรับกรรมแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นจงขอให้ภากันตั้งใจพิจพิจารณาศาสดาองค์เอกนี้ไม่เคยโกหกโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เรื่องของอกิเลสหลอครวงมาตลอดเวลาของจริงมันหลอกก็เป็นของกลอมของดีมันหลอกก็เป็นของชั่ว อย่างนี้นะถ้าเป็นของชั่วมันถือว่าเป็นของดีอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องทําลายกันมากับศาสนากับธรรมะจึงต้องได้แก้ไขกันไปเรื่อยๆลบล้างกันเรื่อยๆชะล้างกันเรื่อยๆถ้าเราไม่ชะล้างกิเลสมันจะเป็นตัวตัวเป็นตัวสกปรกสมบูรณจะมาเอาเราให้เป็นมูดเป็นพูดหารักคำหลัคาไม่ได้ทั้งทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งคนเหมือนโลกเอานะ แต่ความดีไม่มีติดตัวมีแต่ความชั่วเต็มตัวแล้วผู้นั้นแดกจะเป็นผู้รับเพราะรับกรรมไปสไวยทุกเวทนาตั้งแต่ผู้เดียวในภพชาติต่างๆจึงขอให้ท่านต่างหลายได้นำไปพิพจรารณาอันไรไม่ดีในโลกนี้เป็นโลกสมบูรณ์แล้วในชีวิตของเราอย่าปล่อยให้เสียเว ล, ไลาไปเปล่าๆท่านผู้ดีทั้งหลายท่านสอนไว้แล้วไม่ใช่ผู้มาโกหกโลกคือพุทธศาสนา เราเป็นลูกสิมีครูคอยเชื่อครูถ้าเชื่อครูแล้วไม่จมแต่ถ้าเชื่อจิเลนแล้วจมได้กันทั้งนั้นแหละไม่มีสงสัยวันนี้การแสิงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันการเวลาขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติและบำเพ็ญทั้งหลายโดยทั่วกันเทินอเหนื่อย